บทที่ห้าสิบเจ็ดมาตาปิดตุคุณสูตรหากเป็นปุถุชนคนทั่วไปคงจะรู้สึกเหนื่อยน่ายและหมุดอิดรำคาญใจที่ต้องถูกรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบจะหาเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้ แต่สำหรับท่านประครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทำรูปนี้ความรู้สึกดังกล่าวไม่เคยบังเกิดขึ้นเพราะท่านยึดหลักว่าการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านซึ่งแม้จะเหนื่อยยากสักปานใดก็ไม่เคยคิดถดถอยดังนั้นเมื่อนายสมชายบอกกล่าวเรื่องที่แม่ชีเจียนมารายงานท่านจึงออกคาสั่งว่าไปตามตัวมา บอกฉันให้มาพบที่กุฏิโดยด่วนครั้นนึกถึงภาพที่สิทธิหนุ่มจ้องอกสาวเมื่อตอนสายจึงสั่งอีกว่าปลุกเจ้าขุนทองไปเป็นเพื่อนด้วยไม่ต้องหรอกครับผมไปคนเดียวดีกว่าขี้เกียจฟังมันบ่นในยามวิการเขาว่าเพราะเคยรู้ริษกันมาแล้วงั้นก็ชวนแม่ชีไปด้วยสองคนจะได้ไม่น่าเกลียดท่านหมายถึง ชีที่มากับแม่ชีเจียนครับชายหนุ่มรับคำแล้วก็ลงมาบอกให้แม่ชีสองคนทราบงั้นฉันจะเดินไปเป็นเพื่อนอีกคนแม่ชีพูดพลางหันมองอาจารย์ชิดแม่ฝ่ายนั้นกำลังนั่งสมาธิอยู่หากก็คงไม่เหมาะถ้าเธอจะนั่งณที่นั้นโดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย เมื่อคนทั้งสี่เดินไปถึงสำนักชีก็ได้ยินเสียงร้องไห้กล้าคกรวนสลับกับเสียงกลดาเสียงสาบแช่งที่ออกมาจากปากของนางสาวส้มป่อยได้ยินไหมเห็นฤทธิ์แม่เจ้าประคุณหรือยังฉันเอาไม่ไหวจริงๆถึงต้องไปเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบทั้งที่แสนจะเกรงใจแม่ชีเจียนว่าในสมชายทั้งขำทั้งนึกสมเพส เมื่อได้ยินได้ฟังโอ้ยปวดโว้ยปวดจะตายอยู่แล้วท้โว้ยไม่มีใครเห็นใจอีส้มปล่อยเลยแม่ชีโว้ยไปตามหลวงพ่อมาหน่อยท้เอ้ยกูนะกูเกิดมาอาภัพพ่อแม่พี่น้องก็หายหัวกันไปหมดอีแม่อีแม่นั่นแหละทำกรรมให้กู เลือกใช้ให้กูเอาลูกหมาไปปล่อยกูก็เลยต้องมาเป็นอย่างนี้อีแม่เฮงซวยแม่ห ม, มาอย่างนี้ก็มีด้วยหลอนกนดาแม่บังเกิดกล้าวส้มปล่อยหลวงพ่อให้มาตามไปพบดวนชายหนุ่มบอกได้ยินว่าท่านพระครูให้ไปพบ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 แม่ชีเจียนพูดอย่างรำคาญไหวจะไหวหญิงสาวว่าออกเสียใจที่แผลงฤทธิ์จนทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งที่ท่านพระครูกำชับนักหนาว่าให้อดทนงั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละนายสมชายพูดพลางออกเดินนำหน้านางสาวส้มปล่อยกับชีอีกสามคนต่างก็พากันเดินไปเงียบ โดยไม่มีผู้ใดปริปากพูดชีสาวสองคนที่มาเป็นเพื่อนแม่ชีเจียนนั้นไม่ผิดกับคนบ้าเพราะไม่พูดไม่จาทั้งตอนไปและตอนกลับเมื่อคนทั้งห้าเดินมาถึงกุฏิท่านสมภานวัดป่ามะม่วงนั่งรออยู่ที่อาสนะแล้วอาจารย์ชิดยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิมเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่า ท่านเจ้าของกุฏิลงมาข้างล่างคนทั้งห้าทำความเคารพได้การกราบสามครั้งแล้วท่านพระครูก็พูดกับนางสาวส้มป่อยว่าไงอลาวาดใหญ่เลยหรือข้าเพ่งเตือนไปหยกๆยกทำไมลืมเสียได้ท่านไม่ได้แผ่เมตตาให้หลอนด้วยเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวจะเคยตัวกระนั้นหญิงสาวก็ยังรู้สึกว่า ความเจ็บปวดทุลาลงเมื่อได้มานั่งต่อหน้าท่านเป็นอุปทานที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวบุคคลเวลานี้หล่อนเหมือนคนไร้ที่พึ่งจึงยึดท่านพระครูเป็นสรณนะฉันปวดเจ้าหลวงพ่อมันทนไม่ไหวจริงๆก็เลยอาลวาดงั้นหรือการทำเช่นนั้นมันทำให้เองหายปวดใช่ไหม ไม่หายจ่ามันยังปวดเหมือนเดิมแต่มันแปลกนะหลวงพ่อเวลาฉันมาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อฉันกลับรู้สึกสบายขึ้นนั่นเป็นอุปทานของเองต่างหากเองดูโยมเขาสิเขาก็ปวดไม่แพ้เองเหมือนกันแต่ทาไมเขาไม่วยวายอย่างเองญิงสาวมองดูอาจารย์ชิดเห็นเ้านั่งนิ่งเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆ จึงเถียงว่าเขาไม่ปวดอย่างฉันหน้าสิถ้าปวดก็ต้องทำอย่างฉันทำนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเองลองถามเขาดูก็ได้รอให้หมดเวลาเสก่อนเกิดเขานั่งอยู่อย่างนี้ทั้งคืนฉันไม่รอแย่หรือหลอนพูดอย่างวิตกถ้าเองอยากรู้จริงๆก็น่าจะรอได้งั้นฉันไม่อยากรู้ดีกว่าหลอนเปลี่ยนใจ พอดีกับเสียงนาฬิกาปลุกดังกังวานขึ้นอาจารย์ชิดถอนจิตออกจากสมาธิแล้วลืมตาช้าๆเขาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วอุทรว่าปวดเหลือเกินครับหลวงพ่อปวดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาได้ยินหรือยังส้มปอยไหนเองว่าเขาไม่ปวดไงล่ะ ท่านพระครูหันไปพูดกับสาวคนป่วยปวดแล้วทำไมคุณลุงนั่งเฉยเรากลับไม่ปวดละจ้ะหล่อนถามอาจารย์ชิดก็ลุงพยายามใช้สมาธิข่มเวทนาและลุงก็คิดว่ากำลังใช้หนี่กรรมที่ยังไม่รู้ว่าลุงทำกรรมอะไรไว้ถึงอย่างไรหนูก็ยังดีกว่าลุงตรงที่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 ฟังข้าะส้มป่อยฟังแล้วเก็บไปคิดเป็นการบ้านปราดเขาสอนว่าหัสดสนิย่อมไม่ทิ้งลีลาแม้ออกศึกไม้จันย่อมไม่ทิ้งความหอมแม้แห้งอ้อยย่ยอมไม่ทิ้งความหวานแม้ผ่านหีบบัณฑิตแม้มีความทุกย่อมไม่ทิ้งธรรมโยมชิดเขาเป็นบัณฑิตนะแม้เขาจะมีความทุก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 แล้วข้าจะพูดถูกหรือเองไม่ต้องไปสงสัยว่ามีใครมาบอกข้าหรอกข้ารู้ของข้าเองโดยไม่ต้องมีคนมาบอกขอให้เองรู้ไว้ซด้วยว่าข้ารู้ได้ถ้าอยากจะรู้ฉะนั้นก็อย่าพูดอย่าคิดอะไรอะไรที่มันไม่ดีขอให้สำเนียกว่ายัางน้อยข้าก็รู้ถึงคนอื่นไม่รู้แต่ข้ารู้ ท่านพระครูย้ำมิใช่จะอวดอุตริมนุสธรรมหากต้องการจะสอนบุคคลผู้สอนยากเช่นนางสาวส้มปล่อยผู้นี้ฟังหลวงพ่อท่านสอนแล้วก็เก็บไปคิดทบทวนนะส้มปล่อยคิดแล้วก็ต้องทำให้ได้ขืนเองอารวาดอีกข้าคงถูกคนอื่นๆเขาเล่นงานแน่แม่ชีเจียนพูดเสริม ชีสาวสองคนไม่ปรีปากพูดเหมือนเช่นเคยหลวงพ่อจ๊ะฉันไม่ชอบชื่อส้มป่อยเลยมันทำให้ฉันนึกถึงกรรมที่ปล่อยลูกหมาหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ด้วยได้ไหมจ๊ะหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องเซทันใด ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะไม่อยากฟังคําตําหนิติเตียนไม่ชอบชื่อส้มปล่อยหรือนั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อส้มแป้นเอาไหมละ่ะหรือว่าจะเอาส้มเช้งคราวนี้ทั้งแม่ชีทั้งคารืหัสต่างก็พากันหัวเราะคนป่วยจึงว่าไม่เอาจ่ะฉันไม่อยากใช้คําว่าส้มด้วยหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนให้ใหม่ ไม่เอาทั้งส้มทั้งปล่อยแล้วก็ไม่เอาอักษรปอด้วยนะจ๊ะนั่นก็ชื่อเพชรชราก็แล้วกันเพื่อจะได้เป็นนางเอกหนังกับเขาบ้างชอบไหมละ่ะชื่อเพชรชราะคราวนี้คนป่วยยิ้มหน้าบานรีบสนองว่าดีจ้ะฉันก็เคยคิดไว้เหมือนกันแล้วพูดกับทุกคนในที่นั้นว่า ต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่าส้มปล่อยนะจะ้ฉันเปลี่ยนเป็นเพชราแล้วหลวงพ่อท่านเปลี่ยนให้นี่ฉันต้องไปแจ้งอำเภอไหมจ้ะประโยคหลังหล่อนถามท่านพระครูถ้าเองจะเปลี่ยนจริงๆก็คงต้องแจ้งแต่เอาเถอะให้หายป่วยเสียก่อนค่อยดำเนินการอันที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับชื่อหรอกนะคนเราจะดี หรือเลวจะสุขหรือทุกข์ไม่เกี่ยวกับชื่อแต่อยู่ที่กรรมจะชื่อไเร่เพราะพลิงแค่ไหนทำกรรมชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่วอยู่วันยังคำ่ำจริงไม่ยโยมท่านถามอาจารย์ชิตจริงครับบุรุษวัยหสิบรับคำแล้วเองละ่ะที่ข้าพูดมาเนี่ยเองเห็นด้วยไหมเพชรราคนถูกถามยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนตอบว่า จริงจ้ะเห็นชีสาวสองคนนั่งยิ้มหากไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงถามแม่ชีเจียนว่าแม่ชีสองคนนี้เขาถือว่าชีวิรัตหรือยังไงถึงไม่ยอมพูดจาถูกแล้วจ้าหลวงพ่อเขาถือมาสามวันเขานี่แล้วดีจริงอาตมาขออนุโมทนาการปฏิบัติธรรมนั้น หากจะให้ได้ผลก็จะต้องไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเอาละกลับไปพักกันได้แล้วหวังว่าเองคงไม่ทำริษอีกนะแม่เพชรชราท่านกำชับนางสาวเพชรชราคนได้ชื่อใหม่รับคำหนักแน่นแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามท่านเจ้า ข, ของกุฏิว่าหลวงพ่อจ้า ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยต้องตกนรกใช่ไหมจ๊ะฉันกลัวตกนรกจังเลยจะกลัวก็ต้องรีบเจริญกรรมาฐานข้าวหากเองปฏิบัติได้ถึงขั้นบรรลุญาณสิบหกเองก็จะสามารถตัดอบายภูมิได้ตายไปก็ไม่ต้องตกนรกท่านพระครูตอบแล้วฉันต้องปฏิบัติอยู่นานสักกี่ปีแล้วจ๊ะถึงจะบรรลุอันนี้ขาตอบไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเองคนอื่นจะมากะเกณให้ไม่ได้ด่าพ่อแม่นี่บาปมากกว่าเอาลูกหมาไปปล่อยใช่ไ้มจ๊ะหล่อนถามอีกถูกแล้วทั้งนี้ก็เพราะพ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเรามากในมาตาปิตุคุณสูตรพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าลูกจะให้แม่นั่งบนบาขวา ให้พ่อนั่งบาซ้ายถ่ายอุจจระปัสสวะรดลงไปบนบาลูกลูกเป็นผู้เช็ดให้หาอาหารมาป้อนให้จนกระทั่งท่านตายหรือว่ากระทั่งลูกตายไปก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณข้าป้อนข้าวบ้อนน้ำนมที่ท่านได้ถนอมกล่อมเกลี่ยงบำรุงเลี้ยงมาอย่างดีได้ พุทธวจนะที่ท่านประกรูหยิบยกมาอ้างทำให้คนฟังต่างระลึกถึงบิดามารดาของตนโดยเฉพาะคนที่ชื่อยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่นั้นถึงกับน้ำตาซึมแล้วทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเลิศที่สุดครับอาจารย์ชิดถามกล่าวโดวยสรุปก็คือ ถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วลูกสามารถชักจูงพ่อแม่ให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้นั่นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณอย่างเลิศอันนี้ฉันไม่เข้าใจจ้ะคนจบปถมปีที่สี่ว่าอาจารย์ชิดจึงช่วยอธิบายให้หล่อนฟังเป็นการผ่อนแรงท่านพลักครูหมายความว่าถ้าพ่อแม่ของหนูมีความเห็นผิดเป็นต้นว่า ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วหนูสามารถชักจูงชี้แจงให้ท่านมีความเห็นที่ถูกต้องก็ชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญบาปมีจริงถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าทดแทนบุญคุณอย่างเลิศที่สุดและถ้าฉันพาพ่อแม่มาเข้ากรรมฐ า, านละจ๊ะ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 แล้วก็ไปเที่ยวพูดว่ามานั่งหลับหูหลับตาเสียเวลาทำมาหากินหลวงพ่อจ๊ะฉันอยากพาพ่อกับแม่มาเข้ากรรมฐานแต่ก็จนใจเพราะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กันที่ไหนจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวเพชรราพูดอย่างน่าสงสารท่านพระครูจึงจำต้องช่วยโดยบอกหล่อนว่า ยังอยู่ทั้งสองคนนั่นแหละเอาเถอะเองช่วยตัวเองเสีก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติหายป่วยเมื่อไรค่อยคิดช่วยพ่อแม่ช่วยยังไงจ๊ะขครยังไม่บอกเองตอนนี้หรอกเอาไว้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยว่ากันใหม่เอาละกลับไปได้แล้วแม่ชีสองคนที่ถือว่าจีวิรัตนนั้นอัตมาขออนุโมทนา ขอให้ปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นคนทั้งสี่กราบลาท่านพระครูแล้วก็ลุกออกมานายสมชายจัดการปิดประตูด้านหน้าและด้านหลังแล้วเตรียมขึ้นนอนเพราะใกล้สองยามแล้วหลวงพ่อง่วงหรือยังครับอาจารย์ชิดถามเขายังอยากคุยกับท่านพระครูต่อเนื่องจากมีข้อข้องใจสงสัยที่อยากจะเรียนถาม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 งั้นก็ถามมาเถอะอาตมาจะได้ตอบให้หายข้องใจสงสยัยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อย่าสงสัยเรื่องอื่นต่อไปอีกประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าวิจิกิจจาทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าครับผมจะพยายามสิ่งที่ผมจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือผมอยากทราบว่า ฌานที่จะนํามาเป็นบาดฐานของวิปัสสนานั้นเป็นฌานขั้นไหนและถ้าเราไม่ได้ฌานก็จะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาละ่ะอาตมาจะตอบคําถามหลังก่อนที่โยมถามมานี้ก็แสดงว่ายังแยกไม่ออกระหว่งางฌานกับสมาธิอาตมาจะอธิบายคําหลังก่อนคําว่าสมาธิ ก็แปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดจึงเป็นภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือสายไปสมาธิมีสามระดับคือหนึ่งคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิเป็นสมาธิจวนแน่วแน่และอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิแน่วแน่ อันเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายดังนั้นภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธิแล้วจึงจะเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นยิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆที่เป็นคุณสมบัติของจิตก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองระดับ คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสีรูปฌานสีได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุถฌานส่วนอรูปฌานสีได้แก่อากาศสาัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอกิจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน ท่านพระครูอธิบายช้าและชัดเจนคนฟังกำหนดฟังหนอและตั้งอกตั้งใจฟังใจจดจ่อยอยู่กับเรื่องที่ฟังจึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแม้เป็นเรื่องยากที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ ยมเข้าใจใช่ไหมครับผมเข้าใจแจมแจ้งเลยครับถ้าอย่างนั้นลองอธิบายให้อตมาฟังหน่อยสิว่าฌานคืออะไรคือภาวะจิตขั้นอปปนาสมาธิครับขั้นคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิยังไม่เรียกวัาฌานดีมาก ทีนี้อาตมาก็จะได้อธิบายถึงสมาธิที่ใช้เป็นบาดฐานของวิปัสนาหรือจะเรียกว่าวิปัสนาสมาธิก็ได้วิปัสนาสมาธิก็ได้แก่สมาธิในระดับระหว่างขณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิที่นี้โยมตอบมาสิว่าการที่จะเจเริญวิปัสสนานั้นจําเป็นต้องได้ฌานหรือไม่ไม่จําเป็นครับเอาละ่ะ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 ก็ต้องถอนจิตออกจากสมาธิเสก่อนในสมัยพุทธกาลพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระมหาติดสะเถระท่านเจริญอัติกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานแล้วใช้ปฐมฌานนั้นเป็นบาทฐานเจริญภาวนาจนได้บรรลุอรหัตผลเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นฌานก็ไม่มีความสาคัญมากนะัก สำหรับผู้ที่มุ่งในทางวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมุ่งเรื่องอิธิปาิหารฌานมีความสำคัญมากจะต้องเจริญให้ถึงจะตุทะฌานแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้จะตุทะฌานทุกคนจะมีอิธิปาิหารจึงได้เฉพาะบางคนที่มีสมาธิแก่กล้าเท่านั้น ในคำพีวิสุทธิมักยังระบุไว้ว่าผู้ที่จะได้อิทธิปฏิหารนั้นต้องมีบุญบารมีอันสำเร็จมาแต่ชาติก่อนและมิได้เพราะความเชี่ยวชาญในสมบัติอย่างพระอาจารย์สุวินท่านเก็เคยสร้างบารมีมาจากชาติก่อนๆใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมไปได้ แสดงว่าอิทธิปฏิหารก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมใช่ไหมครับแน่นอนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้าได้อิทธิปฏิหารแล้วจะพ้นเวรพ้นกรรมมันพ้นไม่ได้หรอกโยมเอาละนี่ก็ดึกมากแล้วโยมควรพักผ่อนเสียทีอาตมาจะขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อท่านบอกจะขึ้นข้างบน ท่านอาจารย์ชิตก็รู้สึกปวดแพ้ขึ้นมาทันทีจึงได้พยายามประวิงเวลาการสนทนาด้วยการถามว่าหลวงพ่อเคยเจริญชาหรือเปล่าครับเคยโยมอัตมาเคยเจริญกสินอยู่หลายปีและเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อกรุณาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเจริญชาญให้ผมฟังเป็นธรรมทานได้ไหมครับเปิดตรงหน้า 77และส่งให้ผู้สูงอายุโยมช่วยอ่านอาจินติสูตรให้อัตมาฟังหน่อยสิอาจารย์ชิดจึงอ่านตามคำสั่งในสูตรนั้นมีข้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินตายสีประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้แสวงส่วนแห่งความบ้า เรื่องเดือดร้อนอาจินตยสี่ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งฌานวิสัยของผู้ได้มาหนึ่งวิบากแห่งกรรมหนึ่งความคิดเรื่องโลกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินตายสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้ห่วงส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนเมื่อบรรลุนั้นอ่านจบท่านเจ้าของกุฏิจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงอยากรู้เรื่องชาอีกไหมไม่อยากแล้วครับหลวงพ่อผมยังไม่อยากเป็นบ้าและก็ไม่อยากเดือดร้อนมากกว่านี้เท่าที่เดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็หนักแทบไม่ไหว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 ตามด้วยเพื่อนบ้านไวัยไล่เลียกกันอีกสองคนหลวงพ่อครับอีเช้าเมียผมถูกผีเข้าหลวงพ่อช่วยไปดูมันหน่อยเถอะครับบุรุษนั้นรายงานผีที่ไหนมาเข้าละ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับแม้มันด่าเป็นไฟลุ ก, กลามเลยหลวงพ่อช่วยไปไล่มันออกหน่อยเถอะครับตกลงไปก่อไปเดี๋ยวนะขอขึ้นไปเอาของหน่อย